พัทิกร ม, มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมินิทานฟิลิปปินเรื่องหนึง่งกล่าวถึงเรื่องของมนุษย์กินคนครับว่ามีเรือกำปั่นของชาวสเปนบรรทุกสินค้ามาเต็มลำมุ่งหน้าสู่ประเทศจีน หลายชีวิตบนเรือลำนี้คาดหวังว่าจะกลับคืนสู่แผ่นดินเกิดอย่างเสรษฐีเพราะว่าถ้าพวกเขานําสินค้าที่บรรทุกไปแลกเปลี่ยนกับเงินทองของพระเจ้ากรุงจีนผู้มั่งคั่งได้สําเร็จความปรารถนาของพวกเขาก็จะเป็นจริงตามความคาดหมายพวกเขาก็เดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลเป็นเวลานานจนกึกระทั่งมาถึงเกาะแห่งหนึ่งในประเทศฟิลิปปิน ต้นเรือโปโลโก็บอกกับพวกเขาว่าเฮ้ย hey, ชัยโยพวกเรามาถึงแผ่นดินจีนแล้วคราวนี้เราคงจะรวยกันใหญ่ว่าไหมครับกัปตันส่วนกัปตันอันโตนิโอที่ส่องกล้องดูสภาพเกาะอยู่นั้นก็รู้สึกถึงความผิดปกติเอผมว่าเกาะนี้มันเงียบๆผิดปกติไม่เหมือนที่เคยได้ฟังมาว่าประเทศจีนมีผู้คนมากมายเดินสวนทางกันกวักไว หรือว่าเราจะหลงทางเพราะคลื่นลมก็แรงหรือว่าเรืออาจจะเปลี่ยนทิศทางก็เป็นไปได้ลูกเรือทุกคนก็ชักใจคอไม่ดีหน้าถอดสีเหาอแล้วเราจะทำยังไงกันดีอะกัปตันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหนๆก็มาแล้วลงไปพักก่อนก็ดีเหมือนกันเสร็จแล้วพวกเขาก็ลงจากเรือกำปัน่นอย่างน้อยพวกก็ได้เอาเท้าสัมผัสกับพื้นดินหลังจากที่ต้องทรมานอยู่กลางมหาสมุทรมานาน ต้นเรือก็บอกว่าเ อ, อเดี๋ยวผมจะไปสำรวจรอบๆเกาะก่อนนะครับกับตันเพื่อจะมีคนอาศัยอยู่บ้างและบางทีอาจจะได้อาหารติดไม้ติดมือกลับมาเก็ตามใจแต่ผมว่าคุณควรจะชวนใครไปเป็นเพื่อนสักสองคนนะครับกับตันครับพูดจบต้นเรือโปโลก็เดินนําลูกเรืออีกสองคนสำรวจรอบเกาะทั้งสามคนเดินไปจนกระทั่งถึงเชิงเขาแห่งหนึ่ง พวกเขาก็ตกใจสุดขีดเมื่อสัตว์ประหลาดชนิดหนึ่งโผล่ออกมาจากปากถ้ามันจ้องมองพวกเขาด้วยแววตาที่ดุร้ายดวงตาของมันเป็นสีแดงเพลิงปากที่กว้างจนสามารถเมือปรางพวกเขาได้ในเวลาเดียวกันทำให้พวกเขาหวาดผวาจนทำอะไรไม่ถูกสิ้นเสียงคำรามเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นก็ปรีเข้าจู่โจมชายทั้งสามคนพวกเขาก็ถอยหลังวิ่งหนีสุดกาลังหนีเดีวพวกเรา โบโลก็สั่งลูกเรือให้หนีเอาตัวรอดแต่สัตว์ประหลาดตัวนี้มันเร็วราวกับมฤตยูหางอันทรงพลังของมันตวัดร่างของลูกเรือคนหนึ่งด้วยความเป็นห่วงเพื่อนโปโลก็เหนี่ยวไกปืนขึ้นยิงสัตว์ร้ายไม่ยัง้งแต่เกรดของมันหนาแล้วก็แข็งมากแม้แต่กระสุนยังไม่ทําให้มันสะดุ้งสะเทือนได้เลยมันหันมามองโปโลก่อนที่จะกลับไปบทขยี้ลูกเรือผู้เคราะร้ายจนแหลกเหลวแล้วขเขมือปลงท้องหายไปต่อหน้าต่อตา โปโลและลูกเรือที่เหลืออีกหนึ่งเขาวิ่งหนีไปพลางหันหลังมามองสัตว์ร้ายว่ามันจะตะครุบใครเป็นรายต่อไปพวกเขาหนีไปได้สักทักก็ปรากฏว่ามีชาวเกาะกลุ่มใหญ่มือข้างหนึ่งถือหอกอีกข้างถือธนูเข้ามายืนห้อมล้อมพวกเขาไว้ก็พอดีกับที่เจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นวิ่งไล่หลังมาทันมันก็หยุดชะ ง, งักเมื่อเห็นชาวเกาะกลุ่มนี้ยืนอยู่ชาวเกาะคนหนึ่งโบกไม้โบกมือขับไล่เจ้าสัตว์ประหลาดมันก็รีบวิ่งกลับ ไปเข้ารรมเหมือนเดิมชาวเกาะสองคนก็เข้าไปจับตัวโปโลและเพื่อนไว้พวกเขาก็เดินตามพวกชาวเกาะกลับไปที่หมู่บ้านแต่โดยดีเมื่อไปถึงที่นั่นก็มีตะแกรูปร่างอ้วนเตี้ยคนหนึ่งท่าทางเป็นหัวหน้าเผ่ายืนชี้นิ้วสั่งลูกน้องโดยเสียงดังลงเล้งลงเล้งไม่นานนักชาวเกาะสี่คนก็ช่วยกันจับชายแปลกหน้ามัดมือไพร่หลังผูกไว้กับเสากลางหมู่บ้านชาวเกาะพวกนี้มันต้อง เป็นมนุษย์กินคนแน่ๆเลยดูสายตาที่มันมองพวกเราสิมันมองยังก็อดอยากปากแห้งมานานแต่ละคนเลียปากกันแผลบเลยครับต้นเรือหนีเสือป่ากจอร ะ, ะเกะแท้ๆเลยงานนี้เราคงไม่รอดแทนที่จะรวยอย่างที่หวนไว้กับต้องมาตายที่นี่สวยชะมัดเลยแสงแดดที่เริ่มจางหายไปแต่ว่าตรงหน้าของชายทั้งสองสว่างสวยจากกองไฟที่ลุกโชนช่วง เสียงกรองดังสนั่นวานไหวคล้ายกับเป็นอนาณสัญญาณแห่งความตายที่ใกล้เข้ามามนุษย์กินคนก็ทยอยกันออกมาจากที่พักเสียงโห่ร้องของคนในเผ่าก็ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อได้เวลาหัวหน้าเผ่าก็สั่งให้ชายร่างกำยำสองคนดึงหอกปลายแหลมที่ปักอยู่ที่พื้นดินออกพวกมันเดินตรงไปที่ชาวเรือทั้งสองเจ้าลูกเรือเห็นก็บอกว่า อย่าบอกนะว่ามันจะใช้หอกนั้นแทงปากทะลุก้นแล้วเอาเราไปย่างเหมือนกับไก่กุเร่จริงๆจะตายทั้งทีก็ทรมานเหลือเกินเอ้ยทำใจเถะเถอะคนเราเกิดมามันก็ต้องตายขึ้นอยู่กับว่าจะตายเร็วหรือตายช้าแค่นั้นแหละโปโลก็ปลอบอย่างปรงสังขารถึงแม้ว่าพวกเขาจะรู้ชะตากรรมของตัวเองแต่เมื่อชายสกันนั้นเงื้อหอกเตรียมจะทะลวงเขาทางปากพวกเขาสองลูกเรือก็วิงวอนขอชีวิต ชาวป่าทั้งสองคนก็ไม่ฟังคำขอร้องแต่อย่างใดเขาเงื้อมือขึ้นสุดแขนพร้อมที่จะแทงหอกแหลมอย่างสุดกำลังทันใดนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นขมเหลควันคลุ้งออกมาจากปากกระบอกปืนหัวหน้าเผ่าก้มลงกับพื้นทำความเคอะชาวเกาะลูกน้องที่กำลังยืนตะลึงงันอยู่ก็ทำตามหัวหน้าโดยพร้อมเพรียงกันปรากฏว่าเป็นกัปตันแอนโตเนิยวปรากฏกายขึ้นพร้อมกับลูกเรืออีกสิบกว่าชีวิต พวกชาวเกาะทั้งหลายเข้าใจผิดคิดว่าเสียงปืนเมื่อสักครู่เป็นการเสด็จมาเยือนของเทพเจ้าอันโตนิโอเห็นอย่างนั้นก็สวมรอยบอกให้ลูกเรือคนหนึ่งที่พูดภาษาชาวเกาะได้สื่อสารกับหัวหน้าเผ่าโอ้เทพเจ้าเสด็จมาเยือนพวกเรายินดีเหลือเกินที่ได้ต้อนรับข้าเป็นเทพเจ้าลงมาจากสวรรค์พวกเจ้าบังอาจนักที่จับสหายองข้ามาทรมานอย่างนี้อ่ะพวกเราหายไปไหนคนหนึ่งอโปโล ถูกสัตว์ประหลาดบนเกาะนี้มันกินไปแล้วนี่ถ้ากับตันมาช่วยไม่ทันพวกเราก็คงกลายเป็นไก่ย่างไปแล้วแน่ๆเลยอันโตนิโอก็ทำเป็นโกรธมากก็ให้ลูกน้องพูดกับหัวหน้าเผ่าว่าพวกเจ้าเหิมเกรมมากที่ปล่อยให้สัตว์ประหลาดกินสหายของข้าพวกเจ้ามีโทษสมควรไปข้าจะถล่มเกาะนี้ให้พินาศพวกเจ้าไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วโอ้ยเจพระเจ้าข้าขอโทษข้าไม่รู้จริงๆ ว่าเป็นสหายของพระองค์ต่อไปนี้ข้าจะไม่ทําอย่างนี้อีกแล้วขอได้โปรดยกโทษให้ข้าพระเจ้าด้วยเถอะแล้วสหายข้าที่ถูกสัตว์ตัวนั้นกินไปพวกเจ้าจะชดใช้อย่างไงเออข้าจะประหารมันให้ตายตามไปด้วยขอพระองค์ให้โอกาสพวกเราด้วยเถอะหัวหน้าชาวเกาะพูดจบว่าเชื้อเชิญกับตันอันโตนิโอแล้วก็ลูกเรือไปที่พักพวกชาวเกาะก็รับรองด้วยอาหารดีๆ เนื้อสัตว์ที่สดรสชาติยอดเยี่ยมและบ้านพักที่สบายพวกเขาพักอยู่ที่นั่นหนึ่งคืนรุ่งเช้าของอีกวันจึงมุ่งสู่แผ่นดินจีนตามที่ตั้งใจไว้ข้าให้เวลาเจ้าคาจ่าสาร้ายสามวันนะมิฉะนั้นก็จะสาบเกาะนี้ให้จมทะเลไปพร้อมกับพวกของเจ้าถ้าเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ข้าสั่งเกาะนี้จะพินาศลงในพริบตาโอ้ยโอ้ยข้าปฏิญาณขับยืนยันว่าข้จะทําตามคําสั่งของท่านทุกประการเลยครับ ชาวเกาะก็กมศีษะลงกับพืนเป็นการทำความโครพกับดันแอนโตเนียวพวกเขาถือโอกาสตอนที่ชาวกาเกาะเผลอวิ่งขึ้นเรือกำปั่นที่จอดอยู่ริมทะเลโดยไม่ให้ชาวเกาะเห็นเพราะเกรงว่าความลับจะแตกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่เป็นผู้นำควรเป็นผู้ที่ฉลาดมีปฏิภาณไหวพริบรู้เท่าทันกลกองคนอื่นใช้สติปัญญาแก้ปัญหาโดยไม่ใช้อารมณ์ที่ขุ่นมัวแก้ปัญหา ย่อมสามารถเอาตัวรอดได้เพราะว่าบางทีอาจจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นการทลัดหลงไปต่างถิ่นควรจะมีความระมัดระวังให้มากเพราะเขาไม่สามารถจะคาดเดาได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ดีหรือเลวร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือไม่ครับ ต่อไปเป็นนิทานจากขมรครับเรื่องคราบน้ำตาของผู้สูญเสียปราสาทนครวัดนี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกโบราณสถานของชาวขมรเบื้องหลังความงดงามที่ประจักษ์แก่สายตาชนรุ่นหลังมีตำนานมากมายถูกเล่าขานต่อกันมาหนึ่งในนั่นก็คือเรื่องในสอนช่างแกะสลักฝีมือดีของหมู่บ้านคนหนึ่งในขมรสอนนี่เป็นเด็ก กำพร้ากัพร้าพ่อมาตั้งแต่เล็กอาศัยอยู่กับนางเสียนผู้เป็นแม่เพียงสองคนถึงแม้ว่าจะมีฐานะยากจนเพียงไหนเขาก็พยายามหาเลี้ยงแม่ให้มีความสุขตามอัตภาพเมื่อถึงเวลาอันสมควรแก่การมีครอบครัวสอนก็หมายมั่นจะแต่งงานกับนนจันหญิงคนรักที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็กำหนดเิกยามไว้ให้เรียบร้อยแล้วก่อนถึงวันแต่งงานนางเสียนได้ยินคนจากในละแวก ใกล้เคียงบอกว่ามีทหารหลวงมาเกณฑ์ชายชะกันในหมู่บ้านไปสร้างนาครวัดเป็นที่รู้กันดีว่าการเกณฑ์ผู้คนไปเพื่อเนรมิตปราสาทแห่งนี้แทบจะไม่มีใครมีชีวิตรอดกลับมาที่พาสังขารกลับมาได้ก็มีแต่พวกเด่นตายทั้งสิน้นนางเสียนทราบเรื่องแล้วก็รีบกลับบ้านทันทีสอนเอ๋ยรู้ไหมลูกตอนนี้ทหารหลวงกําลังเข้ามาเกณฑ์หนุ่มๆในหมู่บ้านก็เราไปสร้างนาครวัดฉันรู้แล้วแม่แล้วทำไมยังไม่หนีไปลูก ลูกก็รู้นี่ว่าหากไปแล้วเจ้าจะได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้กลับมาเลยละฉันจะหนีไปยังไงถ้าทําอย่างนั้นพวกทหารหลวงก็จะต้องจับแม่หรือไม่ก็นวนจันทร์ไปทรมานแทนฉันแน่ๆเลยโทษของการหลบหนีก็คือหากจับกุมได้จะต้องถูกประหารสถานเดียวแต่ถ้าจับตัวไม่ได้ก็จะต้องคุมตัวพ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องไปทํางานแทนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือคนชราก็ตามไม่ทันขาดคำทหารหลวงสองนายก็ตรงเข้ามาในบ้านของนางเสียน แกชื่อสอนใช่ไหมใช่แล้วนายท่านร่างกายแกแน่สันทัดกำยำได้คุณอย่างแกมาช่วยประสาทกงยศ เ, เร็วขึ้นอ่ะไปรีบไปแต่งตัวเร็วๆ เ, เขาเถอะจะไปเดี๋ยวนี้เลยเหรอนายท่านฉันจะแต่งงานพรุ่งนี้แล้วขออยู่ต่ออีกสักวันไม่ได้เหรอนายท่านไม่ได้นี่เป็นพระราชออคงการจากองค์เหนือหัวถ้าแกจะแต่งงานก็ต้องแต่งวันนี้เท่านั้นอ่ะ สอพยายามอ้อนวอนทหารหลวงทั้งสองนายเพื่อเลื่อนเวลาเดินทางไปอีกหนึ่งวันแต่ก็ถูกปฏิเสธผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายก็ปรึกษาหารือตกลงให้ทั้งสอนและนวลจันทแต่งงานกันในวันนั้นเลยสอนก็วางอุบายมอมเหล้าทหารหลวงจนลุกไม่ขึ้นเขาจึงได้เข้าหอกับภรรยาหนึ่งคืนเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อทหารหลวงหายเมาแล้วก็เริ่มออกเดินทาง ให้หลังการลาจากของสอนทั้งแม่และภรรยาของเขาต่างก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นหดหูใจยิ่งนักเมื่อเดินทางไปถึงสถานที่ที่ก่อสร้างปราสาทนครวัดบรรยากาศที่เงียบสงัดมีแต่เสียงหินที่กระเทาะกันเสียงลากเสียงถากพื้นไปมาเสียงแท่ที่โบยคนขี้เกียจผู้คนในนั้นก็ผอมโซ่สูบซีดเหมือนมีแต่ร่างที่ไร้วิญญาณบางก็ทำงานไปน้ำตาตกไป แรงงานที่ใช้สร้างปราสาทก็แบ่งงานกันตามความสามารถของแต่ละคนใครไม่มีความรู้เรื่องศิลปะก็มีหน้าที่ขุดดินกระถ่อมหินเข็นหินมาสร้างเป็นเสากำแพงก้อนหนึ่งยกสิบคนยังแทบจะไม่ไหวส่วนคนที่มีฝีมือในการแกะสลักก็แบ่งออกเป็นสองพวกสำหรับทำอย่างหยาบแล้วก็ประณีตส่วนคนที่อยู่ในส่วนหลังมักจะถูกฆ่าตายในภายหลังเพราะว่าเขาไม่ต้องการในความลับในการสลัก แล้วการผสมส่วนของปูนหรือแม้แต่วิธีการนําหินติดกันเผยแพร่สู่โลกภายนอกเป็นโชคร้ายของศรที่เขาก็ถูกรวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเขารู้อยู่แก่ใจว่าคงไม่มีโอกาสได้กลับไปพบหน้าแม่และเมียเป็นแน่แท้มันเป็นการลาจากที่ไม่มีทางจะได้กลับไปเวลาผ่านไปหลายคนที่ตายก็ตายไปเพราะว่าคนใหม่ๆที่ถูกเกณฑ์มาก็มีอย่างต่อเนื่องส่วนคนที่อยู่ก็ไม่ต่างอะไรกับผีตายซาก นางเสียนและนวลจันที่ถึงแม้จะไม่เคยได้ข่าวคราวของสอนอีกเลยนับตั้งแต่เขาจากไปแต่ก็ไม่เคยย่อท้อต่อโชคชะตานางทั้งสองยังคงจุดธูปเทียนบนบานสารกล่าวให้ลูกและสามีรอดชีวิตกลับมาขณะที่นางเสียนและนวลจันนั่งอยู่ในบ้านจู่ๆสอนก็เดินเข้ามาในบ้านอย่างไม่มีปีมีคลุยตายแล้วพี่สรฉันนึกว่าชาตินี้ฉันจะไม่ได้เห็นหน้าพี่อีกแล้วฉันคิดถึงพี่เหลือเกิน นวนจันทร์ก็ผูเขาก่อสามีส่วนแม่คือนางเสียนก็ดีใจจนเนื้อตัวสัน่นลุกขึ้นไปสัมผัสร่างกายของลูกอย่างท ะ, น, ทะนุถนอมอูสอนลูกแม่จริงๆด้วยลูกกลับมาอยู่กับแม่แล้วก็เมียของเจ้าแล้วจริงๆดูซิเจ้ายังคงเหมือนเดิมงานที่นั่นเขาว่าตรากดำนักหนาไม่ใช่เหรอ ง, งานที่ฉันทำเป็นงานเบาจะแม่นั่งแกะสลักอยู่ในร่มไม้ไม่ต้องตากแดดตากลมเหมือนกับคนอื่นเขา เออรอดกลับมาก็ดีแล้วไปกินข้าวกินปลาพักผ่อนก่อนเธอหน้าลูกนวลจันทร์ก็ดีใจเหลือเกินที่สามีกลับมาอยู่บ้านอยู่ช่องแล้วจนมองข้ามกิริยาท่าทางของสอนที่เปลี่ยนแปลงไปเขาเงียบขรึมไม่ร่าเริงแจ่มใสเหมือนก่อนเหมือนมีแต่ร่างที่ไร้วิญ ญ, ญาณสอนกลับมาอยู่บ้านในเพียงเจ็ดวันเขาก็บอกลาภรรยาเออพี่ต้องกลับแล้วละขออนุญาตเข้ามาแค่เจ็ดวันฝากดูแลแม่ด้วยนะนวลจันทร์รักษาเนื้อรักษาตัวด้วย เดี๋ยวพี่จะกลับมาเยี่ยมใหม่อา้าวนี่ฉันนึกว่าพี่จะกลับมาอยู่ตลอดไปพี่ต้องไปเดี๋ยวนี้เขามาตามพี่กลับแล้วฝากลาแม่ด้วยนันวลแล้วสอนก็เดินฉับๆออกจากบ้านไปเดี๋ยวก่อนสิพี่พี่สอเดี๋ยวรอฉันก่อนนวลจันทร์วิ่งตามสอนไม่กี่ก้าวอะแต่กลับไม่เห็นไม่แต่เ ง, งาของเขานางก็เศร้าใจเป็นอย่างมากอาทิตย์ถัดมาขณะที่นางเสียนและนวลจันทร์กําลังเดินจ่ายตลาดอยู่ ก็ได้ยินเสียงชาวบ้านพูดกันถึงเพียรชาวบ้านในหมู่บ้านเดียวกันที่ถูกเกณฑ์ไปรุ่นเดียวกันกับสอนซึ่งผอมซีดเหมือนกับเพิ่งจะหายไข้ว่ากลับมาได้ไม่กี่วันทั้งคู่ก็ไปถามข่าวคราวของสอนเออที่ถูกเกณฑ์ไปก็มีแต่ฉันนี่แหละที่เอาชีวิตรอดกลับมาได้พี่เพียรแล้วพี่สรนและพี่สอก็เพิ่งจะกลับมาหาฉันกับแม่เมื่ออาทิตย์ก่อนเองอะ่ะเ อ, อ้ยจะเป็นไปได้ยังไง ก็พี่เห็นทหารมาลากศพไอสอนไปฝังดินเมื่อเดือนก่อนนี่นะเองเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านางนวลไม่ไม่ไม่จริงอ่ะพี่พี่โกหกพี่สอนอยังไม่ตายร้องนวลจันทนะร้องไห้เหมือนกับคนเสียสตินางเสียนที่สังเกตเห็นคว า, ามผิดปกติของลูกมาโดยตลอดก็พอจะเข้าใจนางก็ตบที่บ่าลูกสบายเบาๆ เ, เ, เป็นการปลอบใจเออสอนมันคงเป็นห่วงแม่และเองมันก็เลยกลับมาหา แม่ก็สงสัยอยู่เห็นมันเปลี่ยนไปมากร่างที่ปรากฏให้เราเห็นก็คงเป็นเพียงวิญญาณเท่านั้นแหละนวลจันทร์ฟังแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นอย่างหนักไม่นึกว่าวันก่อนเธอเพิ่งจะมีความสุขแต่วันนี้กลับต้องสูญเสียสามีไปตลอดกันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่ภายนอกดูสวยหรูหน่าชื่นชมและน่ายกย่องในสายตาของสาธารณชนเบื้องหลังความงดงามนั้นอาจจะแลกมาได้คราบน้ําตา ความทุกข์และชีวิตของผู้บริสุทธิ์จำนวนมากเพราะไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาโดยปราศจากการสูญเสียหรือว่าการแลกเปลี่ยนหรอกครับต่อไปเป็นนิทานจากโรมาเนียครับเรื่องคําทํานายเรื่องมีอยู่ว่าปีนี้สกอตอายุย่างเขาสิบก้าปีแล้ว เขาเพิ่งจะสูญเสียป้าซึ่งเป็นญาติเพียงคนเดียวไปขาที่พึ่งพิงกลายเป็นคนพนเอกอที่รับจ้างหาเงินเลี้ยงชีพไปตามหัวเมืองต่างๆครั้งหนึ่งเขาเดินทางผ่านไปที่กระท่อมกลางป่าหมายจะเข้าไปขอพักแรมสักคืนเมื่อเข้าไปในกระท่อมก็พบว่ามีหญิงชราคนหนึ่งนอนป่วยอยู่ด้วยความสงสารและเวทนาเขาจึงอยู่ดูแลปรนิบัติเป็นเวลาห้าวันจนนางหายจากอาการเจ็บไข้แล้วสกอตก็ตกลาหญิงชราเพื่อเดินทางต่อไป ก่อนออกจากกระท่อมหญิงชราได้ทํานายอนาคตของเขาไว้ว่าจะได้ดีเพราะจะได้แต่งงานกับธิดาของเจ้าเมืองแห่งหนึ่งสกอตถึงก็หัวเราะเมื่อได้ฟังหญิงชราพูดเพราะเขาไม่เชื่อว่าเจ้าเมืองไหนจะยินดีให้ทิดาของตนมาแต่งงานกับคนที่ไม่มีเกียรติไร้สมบัติพระสถานติดตัวมาเหมือนกับเขาอะสกอตก็เลยไม่ได้ใส่ใจคําของหญิงชราเท่าไหรนักสกอตเดินทางมาถึงเมืองหลวงเขารับจ้างทํางานต่างๆ เมื่อมีคนถามประวัติเขาก็ตอบไปตามความเป็นจริงแต่ชีวิตของเขาดันไปตรงกับคำล่ำลือที่ชาบ้านได้ยินมาว่าลูกเขยของเจ้าเมืองจะมีชื่อว่าสกอตเป็นลูกกําพระซัสเซพเนจรมาจากแดนไกลสกอตเองก็แปลกใจแต่คิดว่าคนตนคงไม่ใช่คนคนนั้นแน่นอนไม่นานนักข่าวของสกอตที่มีประวัติเข้าข่ายที่จะเป็นลูกเขยเจ้าเมืองก็แพร่สะพัดเจ้าเมืองจึงสั่งให้ทหารหลวงไปนําตัวสกอตมาเข้าพบ แต่เมื่อสอบประวัติเรียบร้อยแล้วเจ้าเมืองกลับไม่พอใจในความต่ำต้อยของสกอตแต่เกรงว่าจะเป็นเหมือนข่าวลือที่เขาจะต้องเป็นบุตรเขยของเมืองนี้เจ้าเมืองก็เลยสั่งให้ทหารจับตัวสกอตยัดใส่ถังโอกแล้วนำไปโยนทิ้งลงแม่น้ําทหารหลวงเห็นว่าถังโอกได้จมลงในตอนแรกก็คิดว่าสกอตตคงจะตายไปแล้วพลหลังของทหารหลวงถังไม้โอ๊กก็ลอยขึ้นอย่างอัศจรรย์ สกอตพยายามหาทางออกจากถังโอ๊กนั่นจนรอดชีวิตมาได้สกอตก็หวนทบทวนที่เขาเกือบจะนำชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่คงจะเป็นเพราะคำทำนายอับประมงคลของยายแก่ในกระท่อมกลางป่านั่นแน่เลยหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นสกอตก็เปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามใหม่เพื่อความปลอดภัยเพราะเกรงจะถูกจับกุมอีกคั้นเวลาผ่านไปจู่ๆทิดาของเจ้าเมืองก็หายไปอย่างลึกลับเจ้าเมืองเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมาก เป่าประกาศออกไปหากใครพาตัวธิดากลับมาได้จะจัดงานมงคลสมรสให้แต่ก็ไร้วี่แววสกอตเองก็ได้ข่าวนี้เหมือนกันแต่ก็จนบัญญาที่จะตามหาคืนหนึ่งขณะที่สกอตหลับอยู่เขาฝันเห็นหญิงชราในกระท่อมกลางป่าคนเดิมบอกให้เขาเดินทางไปตะวันออกจะพบภูเขาลูกหนึ่งมีกระท่อมอยู่ที่เชิงเขาความโชคดีกาลังรอคอยเขาอยู่ที่นั่น รุ่งเช้าของอีกวันสกอตก็ตื่นขึ้นเขาจําความฝันได้ดีเขาต้องการจะพิสูจน์ความฝัน ว, ว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าก็ไม่รีรอที่จะออกเดินทางตามหากระท่อมหลังนั้นทันทีเขาใช้เวลาสามวันในการเดินทางจนพบกระท่อมหลังหนึ่งและเขาก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นยายแก่ในฝันมายืนอยู่หน้ากระท่อมหลังนี้อ้าวยายยายมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะยายมาอยู่ที่นี่ตั้งหลายปีแล้วก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรตรงไหน อาก็เมื่อไม่กี่วันนี้ยายเพิ่งจะอยู่ในกระท่อมกลางป่านอนอยู่เลยพ่อหนุ่มเอ้ยยายไม่รู้ว่าเจ้าพูดเรื่องอะไรแต่ยายอยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้วแล้วก็ไม่เคยออกไปไหนเลยยายเองก็เพิ่งจะเห็นหน้าพ่อหนุ่มเป็นครั้งแรกนี่แหละยายแกปฏิเสธว่าไม่เคยเจอกัสกอ็อดมาก่อนก็ทำให้เขางงมากแต่ด้วยความสงสัยและอยากพิสูจน์ว่าความฝันน่าจะเป็นจริงหรือเปล่าเขาก็ตัดสินใจขออนุญาตยายแกนอนค้างด้วยคืนนี้ ยายแกเห็นสกอตเน็ตเหนื่อยมาจากการเดินทางก็ยินดีที่จะให้พักเสร็จแล้วก็มีเสียงช่วยด้วยช่วยด้วยเป็นเสียงนกพิราบสีขาวตัวหนึ่งดังมาจากริมหน้าต่างสกอตสะดุ้งตื่นทันทีเขามองไปรอบๆห้องทำกลางความเงียบสงัดและมืดมิดในยามค่ำคืนเสร็จแล้วเขาก็เหลือบไปมองนกพิราบตัวนั้นเมื่อมันร้องขอความช่วยเหลืออีกครั้ง สกอตอยากจะช่วยนกตัวนั้นแต่ไม่รู้ว่าควรทํำยังไงเขาจึงใช้เชือกมัดไว้ที่ขาของมันเพื่อรอเวลารุ่งเช้ารุ่งขึ้นสกอตก็นํานกพิราบตัวนั้นไปหายายแก่แล้วก็เล่าเรื่องราวเมื่อคืนให้ฟังนกพิราบตัวนี้คือธิ่ดาของเจ้าเมืองที่หายไปนางถูกแม่มดใจร้ายสาปให้กลายเป็นนกเจ้าต้องไปช่วยถอนคําสาปนั้นให้กับนางให้จงได้นะอูฉันก็อยากจะช่วยเลยยาย แต่ไม่รู้จะทํำยังไงดียายแล้วแม่มดตนที่ว่านะั้นอยู่ที่ไหนฉันก็ยังไม่รู้เลยเจ้าจงนํากล่องนี้ไปด้วยหากนางแม่มดตัวนั้นมันไม่ยอมถอนคํำสาบให้แก่เจ้าหญิงให้เจ้าบิดกล่องนี้ไปมาส่วนปราสาทของแม่มดไรนกพิราบตัวนี้จะนําทางเจ้าไปเองสก๊อตถือกล่องแดงตามนกพิราบที่มันนําทางไปอย่างใจจดใจจ่อณหุบเขาแห่งหนึ่งปราสาทแม่มดก็ตั้งตรงานอยู่บนนั้น นกพิราบบินวนอยู่เหนือปราสาทเสร็จแล้วก็พาสก๊อตปีนเข้าไปภายในทันทีที่เหยียบเท้าไปหน้าประตูเสียงหัวเราะของแม่มดก็ดังขึ้นเ <c oughs> จ้าหญิงท่านบินหนีออกไปได้แล้วยังจะกล้ากลับมาอีกเหรอแมแล้วยังจะพาผู้วิเศษที่ไหนมาอีกพามาทําไมคิดจะกําจัดข้าอย่างนั้นเหรอเออฉันจะไม่ใช่ผู้วิเศษที่ไหนหรอกฉันเป็นเพียงคนธรรมดา ฉันจะมาขอร้องให้ท่านช่วยถอนคำสาปให้เจ้าหญิงเท่านั้นแหละไม่มันเป็นความแค้นระหว่างฉันกับเจ้าหญิงตั้งแต่ชาติก่อนเจ้าไม่ต้องม่ยุ่งเพามันผ่านไปแล้วจะมารื้อฟื้นทําไมละ่ะถ้าพูดดีๆไม่เข้าใจข้าจะต้องทําลายไอ้กล่องนี้ซะแล้วแล้วสกอตก็หยิบกล่องแดงขึ้นมายกเหนือหัวทําท่าจะทุ่มลงพื้นยายายายาข้าขอร้องเลยอย่าทำลายมันขยอมบอกแล้วเพียงแต่เจ้านํากล่องหัวใจของข้าที่อยู่ในมือเจ้า ไปคืนให้กับนางฟ้าที่ให้กล่องแดงแก่เจ้ามาเท่านี้เจ้าหญิงก็จะคืนร่างเดิมสกอตและเจ้าหญิงก็นํากล่องแดงไป ม, มอบให้กับนางฟ้าที่แปลงกายมาเป็นยายแก่ในกระท่อมทันทีที่กล่องแดงอยู่ในมือนางฟ้าพิราบน้อยก็กลับคืนร่างเป็นเจ้าหญิงโฉมงามสกอตถึงกับตะลึงแล้วก็หลงรักเจ้าหญิงขึ้นมาสกอตพาเจ้าหญิงกลับบ้านกลับเมืองเมื่อเจ้าเมืองเห็นที่ดาของตนยังมีชีวิตอยู่ก็ปิติยินดีเป็นอย่างมาก แต่พอรู้ว่าสกอตเป็นผู้ช่วยชีวิตเจ้าหญิงกลับมาได้ก็ทรงไม่พอพระทยัยแต่วัตสัตออกไปแล้วก็เลยต้องทําตามสัญญายินยอมให้เจ้าหญิงเข้าพิธีสมรสกับสกอตแล้วทั้งคู่ก็อยู่กันอย่างมีความสุขตลอดไปครับนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าผู้ที่ทําความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนคนผู้นั้นมักจะได้รับความสุขมากกว่าคนที่สร้างบุญเพื่อรอให้ผลบุญมาสนองตัวในภายหน้า เพราะการที่ไม่หวังผลก็มักจะทำให้มีจิตใจที่ผ่องแพ้วปราศจากความคาดหวังและความกังวลใจก็ทำให้เขารู้สึกถึงความบริสุทธิ์สบายทั้งกายทั้งใจครับเวลาหมดแล้วท่านบุฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบวันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ